มีคราวนหนึ่งหลวงพ่อชาได้โยนคำถามให้ลูกศิษย์นะื่อเป็นพระคำถามก็คือว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเราเป็นหมาเราควรจะโกรธไหมมีพระลูกหนึ่งตอบขึ้นมาว่าเนี่ยก็เราอยู่ดีๆถ้ามีคนมาว่าเราเป็นหมาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาหลวงพ่อชาก็าเลยตอบว่าก็แสดงว่าถ้าเราโกรธก็แสดงว่าเราเป็นหมาสิ ในยะของคําตอบของลพบชาคือว่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นหมาเราก็ไม่ควรโกรธอยู่เพื่ อ, อนคือว่าเมื่อมีคนมาต่อว่าเราถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ควรโกรธบางทีทบางยังก็ยังบอกเลยนะเนี่ยมีใครหาว่าเราเป็นเป็นเทียบเป็นหาถ้าเราคลําที่ก้นแล้วไม่มีหางก็ไม่สมควรไปโกรธเขา ในยก็เหมือนกันนะคือว่าถ้าใครมาด่าว่าเราเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ควรโกรธแต่บางครั้งเนี่ยเวลามีคนมาตําหนิติเตียนเราแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยอุบาอาจารย์นี่ก็บอกนะว่าเราก็ไม่สมควรโกรธนะเพราะสิ่งที่เขาพูดมาเป็นความจริง มันไม่ใช่เป็นการกล่าวหาแต่เมื่อเป็นความจริงก็ไม่ควรโกรธ ถ, ถ้าเอาสองกรณีนี้มาบวกกันเนี่ยก็หมายความว่าไม่ว่าเขาจะด่าว่าเราแบบไม่สมควรอย่างไม่สอดคข้งของกับความเป็นจริงเราก็ไม่ควรโกรธแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นความจริงเราก็ไม่ควรโกรธเหมือนกัน พู้ง่ายคือว่าเราไม่ควรโกรธไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงนะอันนี้ชาใช้เหตุผลนะมาพิจรารณามันก็จะได้ข้อสรุปแบบนี้แหละเราไม่ควรโกรธเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมามันไม่ใช่ความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแต่ขณะเดกันถ้าเขาสิ่งที่เขาพูดมามันจริง เราก็ไม่ควรโกรธนั้นถ้ามองหรือใช้เหตุผลอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราสมควรจะโกรธเลยแล้ย้อนแล้วเราถ้าเกิดขยับไปนะไปพิจารณาภาสิทธ์นะของที่เบตนะอันนี้ไม่เกี่ยวความโกรธนะแต่ไม่เกี่ยวเรื่องความห่วงความวิตก ทางภาษิตที่เบบเอกว่าปัญหาอะไรทักแก้ไม่ได้ปัญหาอะไรทัแกแก้ได้ก็ไม่ควรกังวลใช่ไหมถ้ามันแก้ได้จะ ก, กังวลไปทาไมแย่าคิดเดียวกันท่านก็บอกว่าเนี่ยปัญหาอะไรทักแก้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะที่จะวิตกกังวลหรือกังวลแล้วได้ประโยชน์อะไรนะเพราะว่า กังวลเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทําให้ปัญหามันดีขึ้นในเมื่อปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วเรายัางไปวิตกกังวลมันก็ยิ่งไปซ้ําเติมตัวเองให้ทุกข์มากขึ้นในเมื่อปัญหามันแก้ไม่ได้นี่ก็ทุกข์พอแรงเราอย่าไปซ้ําตือตัวเองให้มันทุกข์โดยการไปวิตกกังวลงั้นถ้ามองนี้ก็แปลว่าเนี่ย ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ควรวิตกกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือปัญหาที่แก้ไม่ได้อันนี้เป็นการใช้เหตุผลนะเพื่อน้อมใจให้เราเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะวิตกกังวลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือปัญหาที่แก้ไม่ได้นี่เป็นการใช้เหตุผลนะที่มันช่วยทำให้เราวางใจได้ถูกต้องไม่ว่าจะเวลามีคนมาด่าว่าเราหรือว่าเวลามีปัญหาสิ่งที่ คนอื่นเขาด่าว่าเรามันจะจริงหรือไม่ก็ไม่ควรโกรธเช่นเดียวกันปัญหาไม่ว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ไม่ควรกังวล <c oughs> คนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จักใช้เหตุผลนะมันก็น่าจะได้ข้อสรุปแบบนี้แหละเวลาเจอคนมาต่อว่าด่าทอก็ไม่สมควรโกรธ เวลาเจอปัญหาก็ไม่ควรกังวลไม่ว่าปัญหานั้นจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้แต่บางครั้งคนเราเนี่ยมันก็เอาเหตุผลเนี่ยมาใช้ในอีกแง่หนึง่งในอีกทางหนึง่งอย่างเช่นนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้ว หลวงพ่อพุธนะไปบิณฑบาตในเมืองก็มีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆแม่ทึ่กำลังรอใส่บาตรพอเห็นท่านเดินเข้ามาใกล้ๆก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระทีงแรกเนี่ยหว่าพุธ โกรธนะแล้วท่านก็ได้คิดว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระรต้องไปโกรธแล้วท่านก็เลยนะรักษาใจาปกติได้เหตุผลของท่านเนี่ยว่าเนี่ยเมื่อมีคนว่าเราเราไม่สมควรโกรธเพราะเราเป็นพระเพราะว่าพระเนี่ยเป็นผู้ที่ ฝึกฝนตนนะให้มีจิตใจที่มั่นคงเพราะนั้นเมื่อมีใครต่อว่าเนี่ยเราจึงไม่สมควรโกรธเพราะเราเป็นพระแต่บางคนก็จะให้เหตุผลอีกแบบหนึ่งนะว่าเราสมควรโกรธก็เพราะเราเป็นพระนมาว่าเราอย่างนี้ได้ไงนะเราเป็นพระนะหรือมาว่าอย่างนี้ได้ไงกูเป็นพระนะ เหตุผลคือว่าเป็นพระก็ควรจะได้รับคำเคารพนับถือนะไม่ใช่มาพูดแบบนี้นี่คือเหตุผลที่สมควรโกรธในะที่หลวงพ่อผู้ท่าบอกว่าเนี่ยไม่สมควรโกรธเพราะเราเป็นพระหรือว่าถ้าเป็นพระก็ไม่สมควรโกรธแต่คบางคนก็ใช่เหตุผลอีกแง่หนึ่งว่าเนี่ยต้องสมควรโกรธนะเพราะาเราเป็นพระเี่ยเราเป็นพระเขาไม่สมควรจะพูดกับเราแบบนั้น แต่หลวงพุทธท่านมองว่าเนี่ยก็เพราะเราเป็นพระเดียวเราจะไม่สมควรโกรธเหตุผลเนี่ยถ้ามันใช้ในทางหนึ่งนะมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติได้นะคือไม่สมควรโกรธเราไม่สมควรโกรธเพราะเราเป็นพระแต่ถ้าเอาเหตุผลมาใช้อีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ข้อสุปว่า ขอไม่สมควรว่าเราเพราะเราเป็นพระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสมควรที่จะโกรธเหตุผลเนี่ยมันมันสามารถจะใช้เพื่อทำให้เราเนี่ยไม่โกรธก็ได้นะหรือจะใช้เพื่อมาสนับสนุนความโกรธของเราก็ได้การใช้ผลคนเราเนี่ย ถ้าเราใช้ไม่ถูกนะมันก็ไปส่งเสริมความทุกข์ส่งเสริมกิเลสแต่ถ้าเราใช้ถูกเนี่ยมันก็ไปช่วยขัดเกลาจิตใจและไม่ให้ทุกข์ไม่ให้กิเลสครอบงำลองดูนะมันมีเดี๋ยวนี้มันมีการใช้เหผลไปในทางที่ส่งเสริมกิเลสก็ได้ หรือเพื่อส่งเสริมความเพียรในการปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างเช่นเนี่ยเราเคยถูกสอนมาว่าเนี่ยในเมื่อคนเราต้องตายในเมื่อชีวิตของเรามันสั้นเพราะนั้นเนี่ยเราควรเร่งสร้างสมคุณงามความดนะีการนึกถึงความตายเนี่ย ควรทำบ่อยๆเพื่อจะได้กระตุ้นให้เราเนี่ยเร่งทําความดีสร้างสมกุศลแทนที่จะมัวแต่เพลิดเพลินกับความสนุกสนานแต่ก็มีหลายคนนะเขบอกว่าในเมื่อชีวิตเราสั้นเนี่ยเราควรจะสนุกสนานให้เต็มที่สนุกสนานให้เต็มที่ให้สุดเพีงใช้ชีวิให้เต็มร้อยเพราะว่าชีวิตมันสั้น ฟังดูก็มีเหตุผลนะมันมีห้างสรรพสินค้างนี่ในกรุงเทพเนี่ยเชิญชวนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษว่า life is short less shopping ชีวิตอีสั้นนะเพราะนั้นต้องมาชอปให้มันกระจุยไปเลยมาชอปกันเยอะๆเพราะว่ามีเวลาที่จะสนุกสนานไม่นานพอชีวิตมันสั้นไอ้ความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยก็เอามาใช้เป็นเหตุผลในการ หาความสุขสนุกสนานหรือชนะ้อปปิ้งแน่ยแต่ที่สมัยก่อนเนี่ยนะความไม่เที่ยงเนี่ยเอามาใช้เป็นเหตุผลเพื่อให้เราเล่งทำความดีเพราะว่าพอตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสจะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเห็นได้ไหมว่าไอการใช้เหตุผลเนี่ยถ้าเรา ใช้ถูกนะมันก็ไปส่งเสริมความดีส่งเสริมความเพียรแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกนะมันก็ไปส่งเสริมกิเลสได้เหมือนกันอ้างอย่างเดียวกันนะว่าชีวิตมันสั้นนะความตายจะเกิดขึ้นกับเราไม่รู้เนะพราะนั้นถ้าในฝ่ายธรรมะ ก, ก็บอกต้องเร่งทำความดีถ้าเป็นฝ่ายบริพกองนิยมก็จะบอกให้เราเร่ง น, นะหาความสุข หาความสุขสนานให้เต็มที่ซึ่งมันก็ดูมีเหตุผลนะไอ้คำพูดว่าเนี่ย life is short less shopping เนี่ยหรือว่าชีวิตมันสัน้นต้องเล่งหาความสุขให้เต็มที่มันดูมีเหตุผลถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยถึงเวลาตายตายไปไปิดสวิตคือไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดไม่ต้องผ่านความเจ็บป่วย แล้วก็ถากว่ามันไม่มีนะโลกหน้าให้ต้องกังวลแต่ถึงแม้ไม่มีโลกหน้านะถ้าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีแบบปิดสวิตนั้นะแต่ว่ามันต้องเจอกับความเจ็บความป่วยเงินทองที่เราหามาเพื่อช้อปปิ้งเข้าของที่เราซื้อมามันช่วยเราเราได้ไหม เนี่ยครที่เราเจ็บป่วยทุกทรมานอยู่เนี่ยแต่ทางตรงข้ามแต่เราฝึกปฏิบัติทำสร้างความเพียรสร้างบุญสร้างกุศลในสิ่งที่เราทำนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลก็ดีหรือธรรมะที่เราได้บําเพ็ญเนี่ยมันก็จะช่วยเราให้อยู่กับความเจ็บป่วยได้ด้วยใจที่ไม่ทุกขนะ์กายป่วยแต่ว่าใจไม่ทุรนทุราย คนที่เขาคิดว่าชีวิตมันสั้นไม่ต้องสนุกสนานเต็มที่พอเวลาป่วยอยู่ในระยะท้ายนี่แทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะทุลนทุรายมากเลยเพราะเขาไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับชีวิตทั้งในยามที่เจ็บป่วยและในยามที่ใกล้ตายคือไม่ได้เตรียมตัวรับมือของความเจ็บป่วยและความตายเลย ก็เพราะอาแดกเพลิดเพลินสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดที่วาเนี่ยชีวิตมันสั้นหาความสุขอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ดูมีเหตุผลนะแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเท่าไหร่มันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของกิเลสในการที่จะหาความสุขสนุกสนานสุดแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ ตอนที่ป่วยหนักและเข้าสู่ระยะท้ายก่อนตายคนทุกวันนี้เนี่ยมีความสามารถในการคิดคิดเก่งมากแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะฉลาดเสมอไปนะเพราะว่าคนที่คิดเก่งเนี่ยกิเลสมันก็คิดเก่งตามไปด้วยอัตตามก็เก่งตามไปด้วย หมายความว่ามันสามารถจะสรรหเหตุผลที่จะเป็นข้ออ้างในการสนองกิเลสสนองหรือปนเปอรอัตตาซึ่งจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่อาจจะเป็นทโทษกับตัวเองเช่นเอาเหตุผลสรรหาเหผลเป็นข้ออ้างในการกินเหล้าในการเล่นพนันนะ คนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีแต่ความอยากอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเขางโง่นะแต่ว่าเขาหลงเชื่อนะเหตุผลของกิเลสว่ากินเหล้ามันดีอย่างง้นดีอย่างนี้เพื่อสังคมนะเพื่อมีเพื่อนหรือว่าเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันจริงๆรหรือพนันออนไลน์โตบอลพวกเนี้ย เขาก็สันนายเหตุผลมานะเหตุผลจะเป็นเหตุผลของกินเหลสที่ทำให้คล้อยตามได้ง่ายๆและเนี่ยถึงแม้ว่าคิดเก่งนะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะมีความฉลาดในการใช้ชีวิตเสมอไปอาจจะพนันพาชีวิตเนี่ยสู่ความตกต่ำย่าแย่ไม่สมกับเป็นคนที่ เก่งหรือว่าฉลาดเลยในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเตือนเอาไว้นะการใช้เหตุผลของคนเราเนี่ยมันสามารถจะเป็นข้ออ้างในการสนองกิเลส ก, ก็ได้หรือเป็นเหตุผลในการทําความเพียนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยยกตัวอย่างเนี่ย มีพระบางรูปเนี่ยเมื่อรู้ว่าจะต้องทำงานก็อ้างว่าเนี่ยทำงานมันจะต้องเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นขอนอนเอาแรงก่อนเพื่อได้มีแรงทำงานแต่พระบางรูปนี่ท่เ็นว่าเมื่อจะต้องทำงานเนี่ยถึงเวลาทำงานก็อาจจะไม่สามารถมาักษาการคำสอนของพุทธเจ้าคือไม่ได้พิจารณาคำสอนของพุทธเจ้าได้ดีหรือพูดง่ายคือไม่สามารถจะปฏิบัติทําได้สะดวก เพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยก่อนจะทำงานแล้วก็ทำความเพียรก่อนบางรูปเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็บอกว่าฉ้นเหนื่อยขอนอนพักดีกว่าแต่พระบางรูปเนี่ยพอทำงานเสร็จก็มาได้คิดว่าเนี่ยตอนทํางานเนี่ยไม่ได้มานัสิกการคําสอนของพุทธเจ้าได้ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมา ใครควรคำสอนวูธเจ้าเนี่ยหลังจากเลิกงานแล้วเป็นการชดเชยพระบางรูปเนี่ยเมื่อเวลาจะเดินทางเนี่ยก็บอกว่าเดินทางมันเหนื่อยนะเพราะนั้นเนี่ยขอพักผ่อนเอาแรงก่อนพักผ่อนเวลาคือนอนแต่พระบางรูปบอกว่าเนี่ยเดินทางแล้เนี่ยก็จะทาให้ไม่สามารถปฏิบัติทำได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเดินทางต้องทําความเพียรก่อน ไม่นอ น, นจะทำความเพียรพระบางรูปเนี่ยเดินทางเสร็จแล้วออกเหนื่อยขอนอนพักก่อนแต่พระบางรูปเดินทางเสร็จก็มาได้พิจารณาว่าตอนเดินทางเ ย, เ, ยเราได้ทำความเพียรได้ไม่มากเท่าไหร่เราะั้นเดินทางเสร็จเนี่ยก็จะขอทำความเพียรให้เต็มที่พระบางรูปเนี่ยบินธบาติได้อาหารมาน้อย ก็บอกว่าโอ้ยบินธบดีเหนื่อยขอนอนเอาแรงก่อนแต่พระบางรูปเนี่ยบินธบด้น้อยก็มามองว่าร่างกายนี้โปร่งเบานะีควรแก่การงานก็คือควรแก่การทําความเพียรก็เลยทําใหญ่เลยพระบางรูปนี่ได้อาหารบินธบดีมาเยอะพอฉันเสร็จก็บอกอิ่มท้อง อยากจะนอนเพราะร่างกายมันหนักอึ้งนะขอนอนก่อนแต่พระบางรูปเนี่ยนะบิณฑบาตได้หามาเยอะฉันเสร็จอนะ่ะก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันควรแก่การงานก็เลยทำความเพียรพระบางรูปเนี่ยเวลาอาพาธเจ็บป่วยเนี่ยก็บอกว่าร่างกายอ่อนแอขอนอนจะได้มีกำลังวังชาแต่พระบางรูปบอกว่าเนี่ย ตอนที่เวลาอาพาธเนี่ยนะอย่างโชคดีนะาะต่อไปเราจะเจออาพาธที่หนักกว่านี้ถึงตอนนั้นเราจะทําความเพียรไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายัางทําความเพียรได้ก็ทำซะก่อนนะเพราะถ้าเจออาพาธที่หนักกว่านี้คงจะทําลําบากพามองรูปเนี่ยหายป่วยบอกโอ้ยขอนอนเอาแรงหน่อย จะได้มีกระลาวังชาแต่พระมังรุ่นเนี่ยพอหายป่วยหายอาภาษก็มาตระหนักว่าเนี่ยเราโชคดีนะเพราะว่าต่อไปอาจจะอาภาษ์หนักทำความเพียรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเพียรแล้วละ่ะจะจแน่มีพระเนี่ยอยู่สองประเภทนะประเภทหนึ่งก็ใช้เหตุผลเป็นข้ออ้าง มีเหตุผลในการที่จะไม่ทําความเพียร น, นะไม่ว่าจะได้อาหารบินธบัติมากหรือน้อยก็ขอพักผ่อนก่อนแต่พระบางอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ว่าอาหารจะได้มากหรือน้อยก็ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่จะทําความเพียรพระบางรูปบางประเภทเนี่ยเจ็บป่วยก็เป็นเหตุผลในการพักผ่อน นอนหลับส่งเสริมความเกียดครางแต่ภาพบางรูปบางประเภทความเจ็บป่วยนี่แหละคือเหตุผลนะที่จะทำความเพียรนะในนีเเเ้เหตุผลเนี่ยนะมันสามารถจะใช้ไปในทางที่ส่งเสริมกิเลส ก, ก็ได้หรือว่าส่งเสริมธรรมก็ได้นี่ถ้าเราไม่รู้นะ ไม่รู้ชัดนะถึงข้ออ้าของกิเลสเนี่ยเราก็อาจจะเชื่อในเหตุผลของกิเลสนะแล้วเราคิดว่าฉันเป็นคนมีเหตุผลนะแต่าหารู้ไหมว่าเหตุผลที่หลงเชื่อเนี่ยมันเป็นเหตุผลของกิเลสให้เหตุผลเนี่ยมันสามารถจะใช้ไปในทางที่ส่งเสริมคุณธรรมความดีก็ได้ หรือใช้ไปในทางที่ส่งเสริมกิเลสหรือทำชั่วก็ได้งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ทันนะกิเลสเนี่ยเราก็จะเชื่อเหตุผลของมันก็เหมือนคนที่มีเหตุผลนะในการทุจริตคอร์รัปชันเหตุผลดีทั้งนั้นแหละแต่หลายคนก็มีเหตุผล ที่ทำให้ไม่ทําการทุจริตเพราะเรื่องเหตุผลเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันอยู่ที่การรู้จักใช้นะมันอยู่ที่การรู้จักใช้เหตุผลอย่างเดียวกันสามารถจะใช้เป็นข้ออ้างในการทําชั่วก็ได้หรือสนองกิเลส ก, ก็ได้ เหตุผลอย่างเดียวกันสามารถจะใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ทำความเพียรก็ได้อย่างเช่นเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนไม่รู้นะว่าในสุดเราก็ต้องตายแต่บางคนหรือจำนวนมากเลยเอามาเป็นข้ออ้างวันในเมื่อฉันจะอยู่ในโลกนี้ได้ไป็นานานฉันขอสนุกสนานเต็มที่ การที่บางคนเนี่ยเห็นว่าชีวิตมันสั้นหรือลึกถึงความตายเสมอก็เอามาใช้เป็นแรงกระตุ้นนะให้ทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลคนทุกวันนี้เนี่ยมีความฉลาดในการคิดเพราะนั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการคิดหาเหตุผลเราก็ต้องรู้จักจำแนกแยกแยะนั่นนะให้ได้นะว่าเหตุผลที่ มันเกิดขึ้นมาในหัวเนี่ยมันเป็นเหตุผลของกิเลสหรือเป็นเหตุผลของคุ ณ, ณธรรมคนที่มีธรรมะเนี่ยก็จะใช้เหตุผลเนี่ยเพื่อส่งเสริมคุ ณ, ณธรรมเพื่อรับมือกับคำต่อว่าด่าทอด้วยใจที่สงบไม่โกรธเจอปัญหาก็ไม่วิตกกังวลเพราะรู้ว่าถ้ามันแก้ได้จะกังวลไปทำไม แลถ้ามันแก้ไม่ได้กังวลไปแล้วมีประโยชน์อะไรแต่คนที่ไม่เข้าใจนะไม่รู้ทันนะกิเลสหรือตกอยู่ในความหลงเนี่ยมันก็จะหลงเชื่อเหตุผลอีกแบบหนึ่งนะที่ทำให้ทุกข์หนักขึ้นนะหรือไม่ก็แย่นั่นคือเป็นข้ออ้างในการทำชั่วเช่นะหรืออาจจะทำให้พาช่วยตกต่ำย่าแย่เช่น ปัญหามันแก้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยไปกินเหล้าย้อมใจดีกว่าไปหาไปเล่นอบายมุกนะดีความจะได้ลืมๆไม่ได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไม่ต้องไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่กลุ่มเนี่ยว่าไปโน่นเลยนะแต่ถ้าใช้ปันถ้าใช้เหตุผลได้ถูกต้องนะก็อย่างที่ว่านะมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องวิตกกังวลเพราะกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์